กันทีตกันกุมารมีหนึาา่งร้ยหนึ่งพระคาถาสูชโกปิอัตตตาปะเตนะกติตะมาเกณนะยาวะ จะตุรัตสะโปคารณีตีรังสัตวาจินเตสิอจฉาติกากายันเหิธานิมัทีอารัญยคโตอาคะมิสตีตินะบัรนีอาตมมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระัพทธรร ม, มเทศนาในเวสสันดรชาดก ขันที่แปดคือการกุมานสืบอนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาประสาธะความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินเนื้อความตามกระแสวาระพระบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทเรื่องต้นนั้นแล้วว่าชูชโกปิอ จ, จุตตาปเสนเป็นอาธิมีเนื้อความว่า ป่ายพรามเท่าชูชกก็เดินไปตามหนทางที่พระอัจจุตะฤศีบอกให้จนกระทั่งถึงดินปั่งกระโบคารณีสี่เหลี่ยมแล้วจึงหยุดยืนตรำพึงว่าเวลานี้เป็นเวลาเย็นควนจะพบค่ําแลว้วเชอรอยพนางมัตตีคงจะกลับมาจากป่าแล้วธรรมดาผู้หญิงย่อมทําอันตรายแก่การให้ทาน ต่อพรุ่งนี้เช้าเวลาพระนางมัตรีเข้าไปในป่าแลว้วเราติงจะไปสู่บรรณาศาลาทูลขอพระกุมารกุ ม, มารีทั้งสองจากพระเวสสันดรแล้วรีบพ่านหนีไปยังไม่ทันที่พระนางจะกลับมาจากป่าครั้นคิดดังนี้แลว้วก็ปีนป่ายขึ้นสู่ต้นไม้อาศัยนอนอยู่ใกล้สะโบกขรณีนั้นในเวลาใกล้รุ่งราตรีในคืนวันนั้น พนางมัตรีก็ทรงพระสุบินนิมิตปานว่ามีบุรุษคนหนึ่งรูปร่างดำกำยำนุ่งห่มผ้ากาสายะสีแดงทัดดอกไม้แดงทั้งสองหูหรือดากคู่กวัดแกว่งเข้าไปในบรณารณศาลาจุดกระชากฉาดจับพระเกศาของพนางให้ล้มหงายลงบนพื้นดินแล้วควักระเนตทั้งสองข้างตัดประหักซ้ายขวาให้ขาดเสีย แม้พระนางจะวิงวอนร้องขอพระชนชีพสักเท่าไรเท่าไรชายผู้นั้นก็มิได้ฟังแถมยังถาพระอุระฟักเอาดวงพระไทยมีโลหิตไหลหยดจัดแล้วหนีไปอย่างไม่ปราณีพอพระนางตื่นบรรทมก็ทรงสะดุ้งหวาดหวั่นว่าทรงฝันร้ายจึงทรงดำริว่าผู้ที่จะทำนายฝันอันจะเทียมทันพระเยสันดอนเจ้านั้นเป็นไม่มี เราจะต้องไปทูลถามพระองค์ให้ทรงทานายฝันว่าจะดีร้ายประการใดครั้นทรงดําริอย่างนี้แล้วจึงเสด็จไปเคาะที่พระทวารบรรณสราของพระเวสสันดรราชฤาษีในเวลานั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เสด็จสับสําเนียงเสียงเคาะทวารดับถามออกไปพลันว่าใครมาเคาะทวานั้นพนางมัสตีจึงกราบทูลว่า กระม่อมฉันมัสสีพระพุทธเจ้าข้าจึงตรัสว่าดูก่อนมัสสีเหตุอะไรเจ้าจึงมาในเวลานี้เจ้าลืมกติกาที่สัญญากันไว้เส็จแล้วหรือพระนางมัสสีจึงทูลตอบว่าไม่ลืมหรอกพระพุทธเจ้าข้าที่กระหม่อมฉันมาในเวลานี้มิได้มาด้วยกิเลสอราคีแต่มาด้วยเหตุที่ฝันร้ายต่างหาพระพุทธเจ้าข้า พระเวสันดนจรจึงตรัสถามว่าดูก่อนมัตสีถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าความฝันให้เราฟังดูเถอะพระนางมัตสีก็กราบภูลเล่าถวายพระสุบินนิมิตตามลําดับตั้งแต่ต้นจนจบพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงพินิจพิจารณาด้วยพระตีชายานว่าเราจะได้บังเ็ญทานบารมีพรุ่งนี้เช้าจะมีผู้มาขอพระลูกรักทั้งสองสีแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดความจริงแล้ว ไหนเลยพระนางมัตสีจะยอมจากลูกไปสู่ป่าเราจะตอบใจมัตสีให้หายต ก, กใจแล้วกลับไปรันทรงพระดำริดำนี้แล้วจึงตรัสตอบว่าดูก่อนมัตสีเจ้าอย่าวิตกกังวลไปเลยความฝันนี้ไม่ร้ายดีประการใดเป็นความฝันด้วยเหตุที่เจ้ามีความลำบากด้วยการเสวยและการบรรทมเท่านั้นขอเชิญเจ้าปรับไปสู่บรรณาลาเถิด พระนางมัตรีก็ถวายบังคมลากลับไปรั้นรุ่งเช้าพระนางมัตรีจึงกระทำกิจวัตรปฏิบัติพระสวามีที่ควรกระทำแล้วกอดจูพระโอรสธิดาแล้วทรงสั่งสอนว่าเมื่อคืนนี้แม่ฝันร้ายนักขอให้พระลูกรักทั้งสองจงระวังภัยอย่าได้ประมาทรัร้นทรงสั่งสอนดังนี้แล้ว จงทรงพาพระลูกแก้วทั้งสองไปฝากไว้กับพระราชสวามีโดยกราบทูลว่าขอพระองค์จงทรงปราณีดูแลพระลูกรักทั้งสองให้จงดีเถิดพระพุทธเจ้าคข้าพะนั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็ทรงหิ้วกระเช้าและเสียมขอบ่ายหน้าออกไปสู่ป่ามีพระอสุชนานายไหลาอาภัพพัทปราเพราะเป็นห่วงลูกจากันหาและชาลี ฝ่ายชูชกพรามเข่าก็นึกคาดคะเนเอาว่าเวลานี้พระนางมัต ส, สีคงจะเข้าไปสู่ป่าแลว้วเข่าชูชกจึงรีบระลาดเคล้าลงจากต้นไม้เดินตรงไปสู่บนนารรณศาลาที่พระเวสสันดรประทับอยู่ฝ่ายพระเวสสันดรประทับอยู่ที่บนนารรณาศาลาเหมือนกับนักเลงสุราที่คอยดื่มสุราฉะนั้นส่วนพระชาลีและกันหา ก็ทรงเล่นอยู่ในที่ใกล้พระบาทพอพระเวสสันดนเท้าเธอทอดทะเนตเห็นพรรามชราเดินมาโสมนัสยินดีนึกถึงทานบารมีที่ได้ทรงงดเว้นไว้ถึงเจ็ดเดือนจึงตรัสเตือนพระชาลีว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงลุกขึ้นเถิดคนที่กำลังเดินมานั้นเหมือนเป็นพรหมามที่เคยติดตามขอทานบิดามีความรู้สึกปรีปรเตมกเกษมสัน พระชารีราชกุมาจรจึงกราบทูลว่าถึงกก้วกรหม่อมฉันก็เห็นว่าเป็นพรามเหมือนกันดูเหมือนจะมีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแขกซึ่งเราควรรับรองครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วจึงรีบเสด็จไปต้อนรับชูชกพอพรามเท่าชูชกแลเห็นก็คาดคะเนว่านี้เห็นจะเป็นขราชารีราชกุมารเป็นแน่ยาเราจะขู่ให้กลัวเสียแต่ต้นมือจึงจะดี ครั้น erm. คิดเช่นนี้แล้วจึงรู่ว่าเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยมาขวางทางข้าทำไมเจ้าจงถอยออกไปผู้ใหญ่จะเดินเมื่อพระชาลีได้ทรงสดับก็นึกว่าเหตุใดตาพรามคนนี้จึงร้ายกาดนักพอพิจารณาไปก็ทราบว่าตาพรามคนนี้ประกอบด้วยลักษณะบุรุษโทษทรรักษ์สิแปดประการคือหนึ่งมีเท้าแบ่ใหญ่คดโค้ง สมีเล็บเน่าสา ม, มีคางยานสี่มีลินฝีปากเบื้องบนยาวห้อยลงกุ้มลินฝีปากเบื้องล่างห้าน้ำลายไหลออกจากกระพุ้งแก้มหมีเขี้ยวงอกยาวออกจากลินฝีปากทั้งสองข้างเหมือนอย่างเขี้ยวหมูเจ็ดจมูกหัก8ดมีท้องโตเหมือนกับหม้อน้ำเก้ามีหลังค่อมสิบตาเล 1ิบเอ็ดมีหนวดสีเหมือนทองแดงสิบสองมีผมสีแดงสิบสามตามตัวเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งตกกระเลือนไปทั้งตัวสิบสี่ตาเหลืองสิบห้าเอวคดหลังโกงคอเอียงสิบหกขากลางสิบเจ็ดเวลาเดินมีเสียงดังเพลาะๆ 18. าะสิบแปดมีขนตามตัวดกและหยาบเหมือนขนหมู เมื่อเห็นดังนี้แล้วจึงถอยห่างออกไปจากทางฝ่ายเท่าชูชกก็ตรงเข้าไปกระทำการปฏิสันฐานไต่ถามถึงสุขทุกข์กับพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐตั้งแต่พระองค์เสด็จมาทรงผนวดอยู่กลางป่าพระกายายังเป็นสุขสบายดีอยู่หรือผลไม้ทั้งหลายยังพอมีชุกชุมพอเลี้ยงกันอยู่หรือ สัตว์ร้ายทั้งหลายไม่เบียดเบียนพระ อ, องค์บ้างหรือพระพุทธเจ้าคะพระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็ตรัสตอบว่าเรายังมีสุขสบายดีทั้งมูลพราหารก็ยังหาได้ง่ายเหลือบยุงกุริ้นไรมีบ้างก็เล็กน้อยสัตว์ร้ายที่จะมาเบียดเบียนให้เรารำบากก็ไม่ค่อยมีดูก่อนพราหมณ์นับแต่เรามาอยู่ในที่นี้ได้เจ็ดเดือนแล้ว เราเพิ่งเห็นแขกผู้มาเยือนคือท่านในเวลาวันนี้เท่านั้นขอท่านจงเข้าไปในโรงน้ำชำระเท้าให้สะอาดดื่มน้ำเย็นที่นำมาแต่ซอกเขาแล้วบริโภคผลไม้ตามความประสงค์เถิดรั้นพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสปฏิสันผานดังนี้แล้วจึงทรงพระราชดําริอยู่ว่าพระรามชราคนนี้มาหาเราด้วยเรื่องไรหนอจึงตรัสถามว่าดูก่อนพรหมณ์ ท่านอุตสาห์มหาเราถึงป่าใหญ่นี้มีความประสงค์จงใจอะไรจงบอกไปอย่าได้เกรงใจในลำดับนั้นพรามเศ่าชูชกเมื่อจะทูลขอสองกุมารกุมารีด้วยความชาญฉลาดจึงทูลอุปมาเป็นบาทพระคาถาว่ายะถาวาริวโหปุโหสับทการังนาคียติเกวันตังยาจิกา ทันชิงกุเตเมเทหิยาจิโตแปลเป็นใจความว่าถ้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระมหาการุณาพวงน้ำในมหานาทีทั้งห้าคือแม่น้ำคงคาย ม, มุนาอาจิรรวดีสรภูและแม่น้ำมหีย่อมเต็มเตี่ยมไปด้วยน้ำเป็นนิสันใดพระหฤทัยของพระมหาบาพิตรเจ้า ก็เต็มเตล่มไปด้วยศรัทธาในการบริจาคทานไม่มีเวลาเหือดแห้งหายไปฉันนั้นกม่อมฉันสู้อุสามาก็เพื่อกราบทูลขอพระรูปรักทั้งสองของพระองค์ไปเป็นทาสีทาสาขอพระองค์ได้โปรดกรุณาพระราชทานให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ได้สดับซึ่งคํากราบทูลเช่นนี้แล้วก็ทรงโสงมนัสชื่นชมยินดียิ่งนัก เหมือนกับมีคนหยิบเอาถุงทรัพย์ทันหนึ่งมาวางลงในป่าพระหัสนฉะนั้นจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรายินดียกลูกรักทั้งสองให้แก่ท่านโดยไม่หวั่นไหวแต่ขอให้ท่านรอจนมัสซีกลับมาจากป่าเสียก่อนเถิดให้ท่านพักอยู่ในที่นี้บริโภกพราผลอร่อยอร่อยที่พระนางมัสซีนำมาสักกราษรีหนึ่งก่อนรุ่งขึ้นเช้าจึงพาพระลูกรักทั้งสองของเรา อันมานดาอาบน้ำชำระกายให้ตกแต่งร่างกายประดับประดาให้สวยงามพร้อมกับจัดะเบียงเดินทางให้ท่านแล้วจึงค่อยไปเถิดชูชกจึงกราบทูลคัดค้านว่ากระหม่อมฉันไม่ยินดีที่จะยับยั้งรออยู่จนพนางแมศีกลับมาเพราะเหตุว่าธรรมดาสตรีมักขัดขวางต่อการบำเพ็ญทานบารมี ถ้ารอไปนานก็กลัวจะเสียรากของกำมอมฉันผู้เป็นคนจนและเสียผลของพระองค์ผู้ทรงมุ่งหวังต่อการบำเพ็ญทานบารมีถ้าพระองค์จะทรงบริจาคแล้วก็ขอให้บริจาคเสียในบัดนี้อย่าได้ชักช้าเถิดพระเวสสันดนจรจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ถ้าท่านไม่ปรารถนาที่จะพบกับพระนางมัตสีมเหสีของเรา ผู้เอาใจใส่สามีเป็นอย่างดีแล้วก็ขอให้ท่านจงนำชาลีและกันหาไปถวายแก่พระเจ้าสันชัยผู้เป็นพระอัยกาเพื่อพระองค์จะทรงปรีดาแล้วพระราชทานทรัพย์แก่ท่านเป็นอันมากเถอรามชูโชกจิมกล่าวตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกระมมอมฉันไม่สามารถที่จะนำพระราชกุมารกุมารีไปถวายแก่พระเจ้าสันชัยได้ ด้วยเกรงพระราชอาทยาเป็นล้นพ้เกรงว่าพระเจ้าสันชัยจะทรงเห็นว่ากระมอมฉันลักพระราชกุมารกุมารีทั้งสองไปแล้วจะตัดศีรษะของหม่อมฉันเสียกระม่อมฉันก็จะเสียทั้งธาตุขาดทั้งทรัพย์ภรรยาที่อยู่ข้างหลังก็จะแช่งชักประม่อมฉันพระเวสสันดรโพธิสัตว์จึงตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่ากลัวไปเลย เพราะพระราชบิดาอของเรานั้นทรงดำรงมั่นอยู่ในพระราชประเพณีสถิตยอยู่ในธรรมจะไม่ทรงกระทําเหมือนอย่างที่ท่านคิดเห็นนี้อย่างแน่นอนชูชกจึนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาถึงพระองค์จะชี้แจงอย่างไรกรม่อมฉันก็ไม่กล้าจะไปเป็นอันขาดจะนําพระราชกุมารกุ ม, มารีทั้งสอง ตรงไปยังบ้านของหม่อมฉันเพื่อให้เป็นท้าทาสีของนางอมิตตดาพรามณีทีเดียวเมื่อพระองค์มีพระราชศัทธาลั่นวาจาว่าจะบริจาคให้แล้วก็ขอให้ส่งตัวมาอย่าได้ช้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะป่ายพระราชกุมารกุ ม, มารีทั้งสองได้ทรงสะดับรำสนทนาของพระราชบิดากับเท่าชูชกอย่างนี้แล้วก็ตกใจกลัวได้ชักชวนเันหมีไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ข้างหลังบนนารรณศาลา แล้วกลัวว่าจะไม่พ้นภัยจึงรีบพากันบทจรปายซ่อนอยู่ในสะโบกขรณีเอาใบบัวปกปิดพระเสียรไว้ด้วยกลัวว่าพรามชูชกจะตามเอาตัวไปฝ่ายชูชกเมื่อไม่เห็นพระราชกุมารกุ ม, มารีทั้งสองจึงกราบทูลตัดพ้อต่อว่ารมหากษัตรพระเวสสันดรว่าดูก่อนพระเวสสันดร พระองค์ได้ประทานลูกแก่ข้าแล้ว ร, รั้น์กลับทูลว่าจะไม่ไปสู่กรุงศรีทีจะพาพระชาลีกันหาตรงไปเป็นทาศาทาสีของอมิตตดาทีเดียวก็ทรงเสียพระราชาฤทยัยทําบุ้ยใบ้โบกไม้โบกมือให้ลูกหลบหนีไปเสียก่อนแล้วนั่งทําเป็นไม่รู้สงสัยว่าจะไม่มีใครเป็นคนขี้ผดโกหกมุสาวาทได้เหมือนกับพระเวสสันดร น, นี้เป็นแน่ เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงสดับคำต่อว่ า, าอันไม่เป็นจริงดังนี้ก็ทรงมีพระอฤุทัยหวั่นไหวจึงทรงดำริไปพันว่าลูกรักทั้งสองของเราคงจะพากันหนีไปแล้วจึงตรัสตอบว่าดูก่อนพรามณ์ท่านอย่าได้คิดวิตกวุ่นวายไปเลยเรามิได้พูดเหลวไหลให้เสียการเราจะนําลูกทั้งสองมามอบให้แก่ท่านในบัดนี้ ฉันตรัสดังนี้แล้วจึงเสด็จตามรอยลูกชั้งสองไปจนถึงลินฝั่งสะโบกครณีเห็นมีรอยพระเจ้าลูกลงไปในสะสีก็ทรงแน่พระทัยว่าลูกของเราคงลงไปซ่อนอยู่ในวารีจรึงตรัสเป็นพระคาถาว่าเอหิตาตะปิยอุตตะอุเรธะมะมะปาระมิงอทยังเมธิ ตินเจทะกระโรธะวัจนงมะมะยานะนาวาวะเมโหทะอจลาภาวะสาคราชาติปารังตริษามิสันตาเรศสังสเทวะกังแปลความว่าดูก่อนพ่อชาลีไม่กัญหาลูกรักของบิดาเจ้าจงรีบขึ้นมาเถิด จงมาช่วยบิดาเพิ่มปูนทานบารมีจงมาช่วยระงับดับความร้อนใจของบิดาให้เย็นลงเจ้าทั้งสองจงรีบขึ้นมาจากน้ําตามคําของพระบิดาอย่ามัวรอช้าอยู่เลยขอเจ้าทั้งสองจงมาเป็นเหมือนสำเพลําใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวต่อมหาสาคสูภพบชาติสามารถนําพาบิดาข้ามปากฟังคือวัฏสงสารให้ถึงซึ่งพระนิพพาน อันเป็นที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วจะได้นำาพาสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์โลกและเทวโลกให้ข้ามผลไปด้วยขอให้ลูกทั้งสองขึ้นมาช่วยบิดาบำเพ็ญทานบา ร, รมีนาการบตรนี้เถิดเมื่อพระชาลีได้ทรงสดับคาของพระบิดาร้องเรียกดังนั้นจึงทรงตั้งมั่นในพระราชด h a r m วา่าพราพรานนี้จะทาดีร้ายประการใดแก่เราก็ตาม เราจะสนองพระคนของพระราชบิดาให้จงได้ไม่ควรปล่อยให้พระราชบิดาเรียกอยู่ช้านานเกินไปครัง้งทรงตั้งมั่นพระาฤุธทธายอย่างนี้แล้วจึงเสด็จขึ้นมาจากสะโบกกรณีทรงกอดข้อพระบาทข้างขวาของพระราชบิดาไว้แล้วทรงกันแสงพระราชบิดาจึงตรัสถามว่ากันหาน้องรักของเจ้าอยู่ที่ไหนพระชาลีจึงกราบทูลไปว่า ถ้าแต่พระทูลกระหม่อมอันธรรมดาสัตว์ทั้งปวงเมื่อมีภัยเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความคิดรักษาตัวทั้งนั้นรั้นได้ประดับอย่างนี้แล้วก็ทรงทราบว่าลูกรักทั้งสองของเราคงจะได้นัดหมายกันไว้แล้วจึงตรัสบ อ, อกไปว่าดูก่อนแม่กันหาธิดารักเจ้าจงมาช่วยเพิ่มปูนทานบารมีอันเป็นที่รักของบิดา ถลม่มจิตใจของบิดาให้เย็นช้ำด้วยเถิดพระกันหาก็เลยคิดว่าการปล่อยให้พระราชบิดาร้องเรียกอยู่นานเป็นการไม่บังควรจึงเสด็จขึ้นจากวารีไปมอบลงกอดข้อพระบาทข้างซ้ายของพระราชบิดาเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองพระองค์กอดข้อพระบาทซ้ายขวาของพระเวสสันดรไว้มั่นและทรงกันแสงพระอักษุชนานายัย คือน้ำตาของสองกุมารกุมารีก็ได้ตกลงอย่างหลังพระบาทของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ส่วนพระเวสสันดรเองก็ทรงมีพระหฤทัยวันไหวด้วยความสงสารพระลูกยาทั้งสองประหนึ่งว่า ด, ดวงหฤทัยแตกสลายพระอสุชนานัยของพระองค์ก็ตกลงบนแผ่นหลังของพระกุมารกุมารีทั้งสองจึงทรงเอื้อมพระหัตย์อันอ่อนนุ่ม ไอลรูปหลังของพระเจ้ารูปทั้งสองส่งประคองให้ลุกขึ้นยืนแล้วปลอบโยนว่าดูก่อนพ่อชาลีเจ้าไม่รู้หรือว่าบิดานี้มีจิตใ จ, จหนักแน่นในการให้ทานขอเจ้าจงช่วยพ่อให้สำเร็จในทางทานบารมีนี้ด้วยเถิดรันต์รัตดังนี้แล้วจึงทรงกาหนดตีราคาของพระราชกุมารกุมารีทั้งสองเหมือนกับเจ้าของโค ีราคาฝูงโคแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพ่อชาลีถ้าเจ้าอยากจะพ้นจากความเป็นทาสจงหาทองคำหนึ่งพันตำลึงให้แก่พราหมณ์ชูชกเพื่อเป็นค่าไถ่ตัวเจ้าจึงจะพ้นจากความเป็นทาสได้ส่วนกันหาชินานาาผู้เป็นน้องรักของเจ้านั้นมีค่าไถ่ตัวอย่างละร้อยอย่างละร้อยคือา100คทาสหนึ่งร้อยคนทาสีหนึ่งร้อยคน ช้างหนึ่งร้อยตัวม้าหนึ่งร้อยตัวโคอุสภะหนึ่งร้อยตัวทองคําอีกหนึ่งร้อยตำลึงเมื่อผู้ใดนําทรัพย์เหล่านี้มาถ่ายแม่กันหาได้แล้วแม่กันหาจึงจะพ้นจากความเป็นทาสีไปพขอเจ้าจงจําไว้ให้ดีครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วท่งพาพระลูกเจ้าทั้งสองเสด็จไปสู่บรรณาศาราที่ประทับส่งจับพระเต้าน้ํา ตรัดเรียบพราหมณ์เท่าชูชกมาส่งมอบพระเจ้าลูกทั้งสองให้แล้วตั้งพระอรุไทยแน่วแน่ต่อพระสัพพัญยุตยานท่งหลังลงซึ่งอุทกธาราให้ตกลงบนมือของพราหมณ์เท่าชูชกแล้วทรงเปล่งพระวาจาว่าดูก่อนพราหมณ์ลูกทั้งสองนี้เป็นที่รักยิ่งของเราแต่เรารักพระสัพพัญยุตยานยิ่งกว่า รักมากยิ่งกว่าบุตรทิดาทั้งสองเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉะนั้นขอการให้บุตรอันเป็นที่รักนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระโพธิญาณในอนาค ต, ตการเรื่องหน้าเถิดเราจะให้ลูกรับทั้งสองของเราแก่ท่านในบัดนี้ในครั้งนั้นแผ่นดินใหญ่อันหนาแน่นก็ได้เกิดมีอาการอุกกดกระทึกตดก้องคำรามลั่น สั่นสะเทือนเหมือนหนึ่งช้างพายตกมันด้วยเดชานุภาพแห่งทานบา ร, รมีของพระเวสสันดรมหาสมุทรสาครก็กระเพื่อมสิเนรุราชบันพศก็น้อมยอดลงไปทางทิศที่เขาวงกดตั้งอยู่เป็นเหมือนกับหน่อไม้หวายที่ต้มสุกดีแล้วมีอาการอ่อนตัวฉะนั้นเท้าสักกะเทวราชก็ทรงปรบพระหัตเท้ามหาพรหมก็ได้ประทานสาธุการว่าดีแล้ว เทวดาทั้งหลายต่างก็พากันแช่ซองสารเสริญสาธุการเกิดเสียงอื้ออึงเป็นอันเดียวจนถึงพร ม, มโลกฟ้าคำรามพร้อมๆกับพื้นปฐพีก็มีอาการวันไหวบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในป่าหิมพานต์มีราชสีเป็นต้นก็ได้บรรลือเสียงสำเนียงพร้อมเพียงกันทั่วป่าหิมพานต์ได้เกิดความน่าอัศจรรย์ถึงปางนี้ ก็ด้วยอนุภาพแห่งทานบารมีของพระเวสสันดรเจ้าโพธิสัตว์ฝ่ายพระเวสสันดรราชฤาษีรันทรงบริจาคพระราชโอรสพระรา ช, ชธิดาบำเพ็ญกุตตทานแล้วก็เกิดความปิติยินดีลำพึงอยู่ว่าโอ้ทานของเราได้ให้ไว้ดีแล้วหนาแล้วก็ประทับยืนทอดพระเนตรดูพระกุมารกุมารีทั้งสองส่วนเท่าชูชก เมื่อได้รับพระราชทานพระกุมารกุมารีทั้งสองแล้วก็เข้าไปตัดเอาเถาวัลย์ในพุ่มไม้มาผูกพระหัสเบื้องขวาของพระชาลีติดกับพระหัสเบื้องซ้ายของพระกันหาแล้วเคี่ยนตีไปในที่ต่อหน้าพระพักของพระเวสสันดรโดยไม่ได้ยำเกรงพระไทยร่างกายของพระราชกุมารกุมารีทั้งสองก็แตกเป็นริ้วรอยในบริเวณที่ถูกเคี่ยนตี ก็มีพระโลหิตไหลจดย้อยลงสู่พื้นดินในเวลาที่เท่าชูโชคตีพระเจ้าน้องคือพระกัญหาพระชาลีผู้เป็นพี่ก็จะเอียงพระขนงคือแผ่นหลังเข้ารองรับแทนในเวลาที่เท่าชูโชคตีพระชาลีก่าพระกัญหาผู้เป็นน้องก็เอียงพระขนงเข้ารองรับแทนเช่นเดียวกันพระราชกุมารกุมารีทั้งสองได้พากันวิ่งตามหลังรามเท่าชูโชกไป ด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาฐานหน้าที่ประทับของพระเวสสันดรไปพอถึงทางที่ไม่เรียกแห่งหนึ่งเท่าชูชกก็สะดุดล้มลงเผาวันอันแข็งก็หลุดออกจากพก อ, อันอ่อนนุ่มของพระราชกุมารกุมารีทั้งสองในทันใดนั้นพระราชกุมารกุมารีก็ได้พากันดิ้งร้องไห้กลับไปหาพระราชบิดากราบถวายบังคมแล้ว ทรงล้มลงร้องไห้พัวพันข้อพระบาทของพระราชบิดาพระรามกราบทูลว่าถ้าแต่พระราชบิดาเจ้าขอพระองค์ได้โปรดรอพอให้พระมารดาของข้าพระบาททั้งสองกลับจากป่าเสียก่อนเถิดให้ข้าพระบาศทั้งสองได้พบหน้าพระมารดาก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพระราชทานข้าพระบาททั้งสองให้แก่ตาพรามณ์นี้ไปถ้าแต่พระราชบิดาเจ้า ตาพรามนี้เป็นผู้ประกอบด้วยบุรุษโทษโทรรลัก์ถึง18ประการฉรอยว่าตาพรามนี้คงจะไม่ใช่มนุษย์หม่อมฉันเข้าใจว่าคงจะเป็นยักษ์จะนํากระหม่อมฉันทั้งสองไปกินเป็นอาหารทั้งสันดานของตาพรามก็อยากคายร้ายการาดตาพรามได้ปลูกมัดเขี้ยนตีกระหม่อมฉันทั้งสองไปเหมือนกับต้อนฝูงโคเมื่อเห็นพระราชบิดาไม่ตรัสตอบประการใด พระชารีราชกุมารก็ทรงปริเวทนาการรำพึงต่อไปว่าถ้าแต่พระราชดิดาธรรมดาบิดามารดาทั้งหลายย่อมมีพระหัไทยอ่อนต่อบุตรไม่สามารถทนดูความทุกข์ของบุตรอยู่ได้แต่พระหฤทัยของพระองค์เป็นเหมือนกับแผ่นดินหรือไม่พระหฤทัยของพระองค์ก็คงจะใช้เหล็กผูกไว้เสด็จพ่อจึงไม่หวั่นไหวใจ เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นแก่กระหม่อมฉันทั้งสองแต่หม่อมฉันผู้ชื่อชาลีไม่รู้สึกเป็นทุกข์เท่าใดนักเพราะถือว่าเป็นลูกผู้ชายทุกนี้ยังพอรับได้หม่อมฉันสงสารแต่น้องกันหาที่เป็นลูกผู้หญิงทั้งยังเป็นเด็กเล็กนักยังไม่รู้จักซึ่งความทุกข์ยากอะไรเลยเมื่อไม่เห็นประมานดาบ ก, ก็จะคันแสงหัวใจอาจจะเหี่ยวแห้งจนสิ้นพระชนไป เหมือนกับลูกกวางตัวน้อยๆที่ยังกินนมหากพรากจากปูงหรือไม่เห็นแม่ก็ย่อมร้องข้าครวนอยากกินนมแล้วน้องกันหาผู้น่าสงสารก็จะกำพร้าบิดามารดาส่วนพระบิดาพระมารดาเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นกันหากุมาเรผู้งามหน้าดูก็จะทรงกันแสงอยู่ในบรณารณาศาลาไปนานได้โปรดให้น้องกัญหาอยู่กับพระองค์ต่อไปอีกเถิด ตัวกระหม่อมฉันจะขอทูลลาไปกับตาพรามเมื่อพระชาดีกุมารพร่ำพรรณนาอยู่อย่างนั้นในไม่ช้าเท่าชูชกก็ตามมาทันพระชาดีราชกุมารได้ทูลสั่งลาพระราชบิดาว่าขอพระองค์ผู้เคยทรงพระกรุณาแก่ลูกทั้งสองจงตรัสบอกแก่พระชนนีของลูกด้วยว่าลูกทั้งสองมีความสบายดีขอให้พระองค์จงทรงสำราญทุกทวาราตรีเถิด ขอให้พระองค์จงทรงประทานของเล่นต่างๆคือรูปช้างมา้าและโคหเล็กๆที่ลูกอุรักษทั้งสองได้เคยเล่นให้แก่พมารดาด้วยเถิดเพื่อพระมารดาจะได้ดูต่างหน้าของลูกทั้งสองรัตนกราบทูลดังนี้แล้วก็ทรงจูงพระกันหาเสด็จตามพราหมเท้าชูโชคไปในขณะนั้นพระปพธิสัตว์เจ้า เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์เท่าชูชกตีพระลูกรักทั้งสองต่อหน้าก็เกิดความวุนว่นวหวเศร้าโศกเสียใจด้วยอำนาจแห่งความสงสารพระลูกรักทั้งสองมีทะดวงหารุษไทยเร่าร้อนปั่นป่นปวนเหมือนกับช้างพลายตกมันอันถูกพญาไกรสอนราชสีกับเอาไปหรือเหมือนกับกบที่อยู่ในปากของงูพระองค์ไม่สามารถที่จะดารงทรงพระกายไว้ได้ มีพระเนตรนองไปด้วยพระอัสุชนและพรังเผลอปล่อยให้ความโศกเข้าครอบงำเสด็จเข้าไปในบรรณสาลาทรงหยิบพระขันโดยคิดว่าจะตัดศีรษะพราหม์เท่าชูชกเสียแล้วพาพระลูปรักทั้งสองกลับมาแต่ในไม่ช้าพระองค์ก็กลับมีพระสติระลึกได้จึงตั้งพระไทยมั่นคงเจาะจงต่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ มีดวงพระพัดตบืกบานด้วยพระรัศมีมิได้ทรงมีความเสียดายพระองค์จึงเสด็จกลับมาประทับนั่งที่หน้าบรรณศาลาแล้วทรงพระดําริต่อไปว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายซึ่งมิได้บําเพ็ญมหาบริจาคทั้งห้าคือบริจาคทรัพย์หนึ่งบริจาคอวัยวะหนึ่งบริจาคชีวิตหนึ่งบริจาคบุตรหนึ่งบริจาคภริยานหนึ่งแล้ว จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นไม่มีเลยตัวเราก็เป็นพระโพธิสัตว์ผู้หนึ่งเราไม่สมควรที่จะทำให้เสียมหาบริจาคขึ้นชื่อว่าการบริจาคทานแล้วแล้วมาเดือดร้อนใจเสียดายในภายหลังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแก่เราครั้นทรงตัดพ้อโพงเองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานตั้งพารุธถทยมั่นในศีลบารมีโดยมีมณสิการว่า จเดิมตั้งแต่เวลาที่เราบริจาคลูกทั้งสองของเราแก่ชูชกแล้วถ้าชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองของเราเสียเราก็จะไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดเมื่อทรงอธิษฐานตั้งใจมั่นอย่างนี้แล้วก็ทรงประทับนั่งณแผ่นศิลาแทบประตูบนนารรณศาลาดุดพระปฏิมาทองคำที่ไม่หวั่นไหวในขณะนั้นเท่าชูชกใจอมมาหิต ก็ผูกมัดพระราชกุมารกุมารีทั้งสองแล้วฉุดกระชากเที่ยนตีไปในที่ต่อหน้าพระพักของพระโพธิสัตว์เจ้าโดยไม่มีความปราณีฝ่ายพระชาลีราชกุมารจึงทรงปริเวทนาการรำพันไปกับพน้องรักว่าดูก่อนกันหาที่ได้เคยสดับมาว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นก็เหมือนไม่มีตัวตน เราทั้งสองพาการกอดคอกันตายเสถ่ิดพอเดินไปได้ถึงทางอันไม่เรียบเท่าชูชกก็หกล้มลงไปอีกเถาวันที่ผูกมัดข้อพหัสทั้งสองของพระราชกุมารกุมารีก็หลุดออกจากมือของชูชกแล้วพระนอกรย์ทั้งสองก็พากันวิ่งหนีกลับมาหาพระราชบิดาอีกด้วยความกลัวจนตัวสั่นวันไหว ฝ่ายชูโชคก็ลุกขึ้นโดยเร็วพลันถือไม้เท้ากับเถาวันวิ่งตามมามีความโกรธจนตัวสั่นเหมือนกับไฟปรายกันไม่มื่นโลกธาชารางตาวาดว่าเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยสองคนช่างฉลาดวิ่งหนีนี่ฉะัดว่าแล้วเท่าชูโชคก็ผูกมัดข้อพระหัตถ์ทั้งสองของพระนอกริย์ไปเวลานั้นพระกันหาได้เหลียวกลับมาทอดพระเนตร ทูลพระราชบิดาว่าโอ้พระคุณทูลกระหม่อมของลูกเอ๋ยพรามเท่าคนนี้ช่างกะไรเลยไม่ปราณีเขี้ยนตีลูกรับทั้งสองนี้เหลือที่จะทนทานปานเพอหนึ่งว่าลูกทั้งสองนี้เป็นทาสในเรือนเบี้ยของแกโอ้พระทูลกระหม่อมของลูกกันหาเอ๋ยตาเท่าคนนี้ช่างไม่มีศีลธรรมเสียเลยลูกนี้เห็นว่าน่าจะเป็นยักษ์จำแลงเพศมาเป็นพราม เพื่อจะเอาลูกทั้งสองนี้ไปเคี้ยวกินเป็นอาหารเพราะตาแก่คนนี้แกมีสันดานอันเยี่ยมโหดเหลือกำลังโอ้พระทูลกระหม่อมของลูกเอ๋ยช่างกะไรเลยพระองค์ทรงนิ่งเฉยอยู่ได้ไม่ใยดีเมื่อพระราชกุมารีกันหาชินานณาสง่งข้าครวญต่อพระราชบิดาด้วยประการชนี้แล้วเท่าชูชกใจดุร้ายก็จุดพราพาไปในเวลานั้น พระเวสสันดรนุราชชรุสีก็ทรงสิเนหาอะไรเศร้าโศกเป็นกำลังมีพระราชชฤุษไยเร่าร้อนระสำระสายจนถึงกับทรงหายใจออกทางพนาสิกไม่พอต้องทรงหายใจออกทางปากมีลมหายใจอันเร่าร้อนด้วยความโศกสันมีน้ำธาตรหยดหยาดเป็นพระโลหิตหน้าเวทนาแต่ในไม่ช้าพระองค์ก็ทรงนึกขึ้นมาได้ว่า ทุกอันนี้ได้เกิดแก่เราก็เพราะความสิเนีหาอะไรเราจะต้องตัดความสิเนหหาอะไรนี้เสียให้ขาดรั้งทรงพระดําริให้พระสติอย่างนี้แล้วก็ทรงบรรเทาวความเศร้าโศกให้เสื่อมไปแล้วประทับนั่งเป็นปกติธรรมดาฝ่ายพระกันหาราช ก, กุมารีสเสด็จไป ย, ยังไม่ถึงประตูเขาวงกตก็ทรงที่ราบรำพันร่ําให้ว่า เท้าของเราทั้งสองที่น้องนี้หนาชาลีเป็นเท้าที่เล็กก่อนนุ่มนิ่มปัดนี้ได้เบ่งบวมระทมพองแตกปวดไปหมดแล้วทั้งหนทางที่จะคลาดเคล้าไปข้างหน้าก็เห็นว่ายัางไกลทั้งเป็นทางที่แสนลาบากนั่นแหละที่ชาลีเวลานี้พระอาทิตย์ก็ตกต่าจนจะถึงยอดเขาวงกฎแล้วพราหมณ์เช้าผู้นี้ก็เร่งให้เราเดิน แกช่างไม่กรุณาปราณีบ้างเลยพระพี่เอย๋ยน้องก็รู้สึกระบมหิวอ่อนแทบจะหมดกำลังอยู่แล้วเราทั้งสองจะทำอย่างไรต่อไปในลำดับนั้นสองกุมากุมารีก็ยกมือขึ้นกระทําอัญชรีกราบไหว้เทพพายดาทั้งหลายอนุเรงฤทธิ์ซึ่งสิงสถิตยอยู่ในขุนเขาลำนาไพร ล, ลุกขับพิมานไม้พื้นดินปฐพี และนาคนาคีในนาทีทานช่วยหิวรัหารทุกหย่อมหญาว่าข้าพเจ้าทั้งสองขอก้มเกตกราบไหว้ด้วยเสียงกร้าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายช่วยบรรยายบอกให้พระราชชนนีของข้าพเจ้าทั้งสองนี้ทราบด้วยถิดว่าข้าพเจ้าทั้งสองนี้ไม่มีโรคาพาสจริงใดแต่ตาพรามณ์นี้ได้มาพาเอาข้าพเจ้าทั้งสองนี้ไป ขอเทศไทยทั้งหลายจงกราบทูลพระมารดามัตสีด้วยถิดว่าถ้าพระมารดาจะเสด็จติดตามมาก็อาจทันลูกรัทั้งสองในเวลานี้ผลทาง น, น้อยอันพอจะจุรอยเท้าของคนคนเดียวนี้เป็นผลทางลัดตรงไปสู่บนนรรณศาลาขอให้พระมารดาเจ้ารีบเสด็จตามมาเถิดอาจได้ทรงเห็นหน้าลูกทั้งสองด้วยเร็วพลันโก้พระมารดาเอย๋ย พระมารดาผู้เคยสถิตอยู่ในความสุขมาแต่ปางก่อนแล้วกรรมมาสังหรณ์ให้ลําบากบัดนี้พระมารดาต้องเสด็จจากลูกไปเที่ยวสแสวงหามูลพราหารในดงดานป่าใหญ่เมื่อพระมารดาเสด็จกลับมาก็จะไม่เห็นหน้าลูกจากทั้งสองจะเห็นแต่บรรณสาราว่างเปล่าพระมารดาก็จะเป็นทุกข์เหลือประมาณเบรานี้ ก็เกินการเวลาที่พระมารดาเคยเสด็จกลับมาแล้วหรือว่าวันนี้พระมารดาได้ผลไม้เผือกมันมากจินได้เสด็จกลับช้ากว่าวันอื่นๆด้วยความลำบากพราวรากายเวลาป่านชนี้พระมารดาคงไม่ทรงทราบว่าลูกทั้งสองถูกตาพรามเท่าอนันร้ายกาดถูกมัดเชี่ยนตีโดยไม่ปรานีเหมือนกับนายฝูงโคฟาตีโคกระบือ โอ้พระทูลประหม่มแก้วของลูกเอ๋ยถ้าพระมารดาเสด็จมาทันเข้าในเวลานี้แล้วพระราชทานมูลทราหารให้แก่พราหมี้กินพอให้แก่หิวหายอิดโรยใจแก่คงจะไม่เร่งรีบเคี่ยนตีลูกทั้งสองให้ร้ายแรงเหมือนอย่างนี้เป็นแน่แท้พุทธเทเอ๋ยเราทั้งสองซึ่งไม่เคยได้เดินทางลำบากก็ได้มาพบปะกกับความทุกข์ยากอันใหญหลวงถึงป่านนี้ พราหมณชารานี้มีแต่เร่งรัดให้เราทั้งสองรีบเดินไปตรีตรานในเวลานั้นดูสุดแสงสงสารซึ่งพระราชกุมารกุมารีทั้งสองอันต้องได้รับความลาบากยิ่งใหญ่ทั้งแสนทรงเสน่หาอะไรในพระนางมัตสีเป็นกําลังได้พากันโศกเศร้ากำสดไปตามหนทางตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลาเย็นก็ยังไม่ถึงประตูเขาวงกฏทีรี อาตามภาพรับประทานวิสัชนาสแสดงพระสัทธธรร ม, มเทศนาในเวสันดรชาดกการกุมานซึ่งเป็นกันที่แดก็เห็นพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เชิญรับฟังกันที่เกคือการมัตติสืบต่อไ